ก่อนจะเข้าสู่เรื่องวิญญาณที่ทุ่งไหหินเรามารู้ทำไมเขาจึงเรียกดินแดนที่รากกว้างใหญ่ไพศาล หินหินจริงๆที่สร้างขึ้นมาจากน้ำมือมนุษย์นักประวัติศาสตร์ต่างพากันสันนิษฐานไว้อย่างเพื่อ ต่อให้เอาช้างมาลากก็เถอะกว่ามัน และนักธรรมนิวิทยาบอกกล่าวเล่าความถึงอย่างชัดเจนคนทั่ว ถึงที่นี่ไม่มีในหมู่ของพระทุรดงท่านๆสบายๆไม่รีบร้อนค่ําที่ไหนก็ ส่วนหนึ่งของพลานหินเป็นโขดหินชะเง้อม นานๆจึงจะได้ยินเสียงสุนัขป่าร้องหวย ดูกจันด์ก็ว้าแว่งเป็นวงแหวนขนาดบ้างไปแล้วจึงให้เห็นแสงเสว่างไม่เต็มที่นอกจากแสงเดาวทีระยิบระยับพระโา้เต็มพื VAN ได้อาศัยแสงของมันเพราะท่านได้พบเห็นบรรยากาศเช่นนี้มามากแล้วนั่นเอง หากแต่ท่านพึ่งไปที่จิตเพื่อรวมเป็นสมาธิสู่ นั่นคือเสียงอื้ออึงคล้ายพายุขนาดมหึมากำลัง และในปดลนั้นเองสิ่งที่หลวงพ่อสงสัยอยู่ในอะไรใครพากัน ของกับทอดสายตาฝากความคนเพียงร้อย อันกว้างใหญ่กว้างใหญ่สิ่งที่ร้องหวยหวนดังก้องทั่วทุ่งไหร เป็นที่สถิตของเหล่าดวงวิญญาณสัมภเวสีนับไม่ท้วนที่ยังไม่มีที่จะไปจึงเพียงแต่เร่ร่อนวนเวียน ให้ที่แปลกที่สุดไปจากเพื่อจะได้ไทยถามถึงอดีตความเป็นมานรกถึงกระนั้นก็ดีด้วยที่แปลกอย่างไม่มีประมาณสุด พวกเขาจะได้รับแค่ไหนอย่างไรก็สุดแท้แต่กรรมของแต่ละคนจะได้รับแค่ไหนอย่างไรนับถือศาสนาอะไรสุดแพ้ มีไม่กี่หลังคาเรือนไม่กี่หลังคาเรือนพวกชาวบ้านป่าคงไม่คุ้นเคยๆทั้งสิ้นได้ เพื่อเลี้ยงดูสังขารแค่ให้มันดำรงอยู่มิได้ฉันเพื่อความอร่อยอร่อยแต่ พวกผีเจ้าป่าเจ้าเขาเลื่อมใสในลัทธิบูชาผีบรรพบุรุษผี ท่านยังไม่คิดจะหวนกลับสู่ประเทศไทยๆผ่านป่าดง ที่ลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ อินทมตลอดเวลาจนในที่สุดท่านก็เข้าเขตหลวงพระบางซึ่ง ท่านมรรคจะจึงอยู่เฝ้าคุมทรัพย์ของตนเองไว้วิญญาณที่โลกเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งนั้นไม่ยอมไปพุทธะ พร้อมกับชี้ทางไปสู่สุคติให้แผ่ส่วนกุศล พอได้อาศัยเป็นน้ำส่งและใช้บริโภค เพราะหมู่บ้านของพวกเขาไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าผ่านมานานแล้วหลวงพ่อคุณเมื่อเห็น ที่ชาวบ้านพากันมาทําความสะอาดและสร้าง ถ้าไม่เกิดความสดชื่นแก่สรรพชีวิตที่อาศัย ทำไมมองออกไปข้างหน้าไกลๆไม่ได้เลยแม้หมอกจะ เส้นทางที่ไปทางซ้าย้อมภูเขาลาดลงไปไม่ชันนัก เป็นส่วนๆอยู่บริเวณนั้นท่านเกิดมีความรู้สึก เมื่อมองไปเบื้องหน้ามีชาวบ้านทั้งชายหญิงทั้ง ขณะที่ย้อนกลับขึ้นเขาไปยังถ้ําที่พักเจริญภาวนาท่านยังติดใจสงสัย การอยู่ร่วมกันหมู่มากอยู่ร่วมกันหมู่มากทําไมบรรยากาศเงียบและวังเวง เพื่อเมื่อล้างบาทเสร็จแล้วพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้กินเป็นอาหารเมื่อ พวกกรอกกระแตมากินเป็นอาหารแม้แต่ตัวเดียวมันเป็นเรื่องน่าฉงนใจไม่ใช่น้อยเพราะตลอดการเดินทุรดงของท่านนั้นหากมีเศษข้าวเศษอาหารที่เหลือจากการฉันแล้วท่านจะนํากองทิ้งไว้สัตว์เล็กสัตว์น้อยจะเข้ามากินจนหมดเกลี้ยงๆมันยัง ท่านได้แวะไปดูกองเศษอาหารบนก้อนหินท่านกลัวเศษอาหารเหล่านั้นจะบูดเน่าปรากฏ ไปเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นๆเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นท่านไป 3 ถึง 4 วันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ เพราะนับตั้งแต่ท่านมาอยู่บนถ้ำผาเหลนไม่ เพราะไม่เคยเห็นท่านเลยสักวันหนึ่งข้าวปลาอาหารที่ เป็นทางอ้อมภูเขาไปเมื่อชาวบ้านรู้เช่นนั้นต่างก็มอง ไม่มีแม้แต่คนเดียวอาศัยอยู่ที่นั่นแม้แต่คนเดียวพวกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชายเขายังไม่มีผู้ใดกล้า ข้าวปลาอาหารของผีมันก็แซ่บหลายอยู่พอได้อรุณรุ่ง ถึงไกลไวก็เพียงเศษอิฐหินดินแผ่ส่วนกุศล เมื่อท่านอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกวิญญาณแล้วและอาหารใส่บาตรกันอยู่ท่านทั้งหลายจะรู้ มาเล่าตกกระมังและนั่นก็คือเรื่องราวของหลวง หรือหักท่านมีเรื่องราวตำนานอื่นๆ